นั่งปฏิบัติตามการไฟดับใช้เทียนจุดเอาบรรยากาศแบบโบราณโบราณดี สมัยพุทธกาลสองพันปีก็คงจะเป็นบรรยากาศคล้ายๆอย่างนี้แหละคนมางทีเป็นพันๆคนห้าร้อยคนสามร้อยคนสองร้อยคนไมโครโฟนก็คงไม่มี เดียเดี๋ยวนี้หลายที่มันก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้อยู่เมืองทั้งเมืองมีไฟลีลบาลดดวงบาลสองดวงมีคนบรรุธรรม ท, ทีละห้าร้อยคนสามร้อยคนสองอยคน ฟังดูแล้วก็ดูประหลาดถ้ายังมีเข้ามีโครงมีเรื่องราวที่มันเป็นจริงมันก็น่าสนใจทีเดียวกับคำบอกคำชี้หรือจะเรียกว่าคำสอนพระธนอมาใส่ตัว แบบตั้งใจฟังเงี่ยหูฟังเ่ื่อสร้างแรงบันดาลใจทำให้ผู้ฟังได้รับอย่างน้อ ย, อยสิ่งที่ไม่ได้เคยได้ยินได้ฟังมันก็ได้ยินได้ฟังขึ้นมาเบืองชีวิต ที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็สงสัยอยู่ก็หายสงสัยได้สว่างมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเงี่ยหูฟังเงี่ยหูฟังถ้าเป็นหลวงพ่ออมเขียนท่านก็นจะบอกว่าพูดในสิ่งที่ทำเราได้ยินในสิ่งที่ทำคือท่านทำมาก่อน แล้วก็ทำในสิ่งที่ได้ยินได้ยินยังไงก็ทำอย่างนั้นน้อมก็ามาใส่ตนในวัดที่นี่ก็พูดตัดถึงเรื่องความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวถ้าพูดก็พูดถึงสิ่งที่ทำเรามาทำความรู้สึกตัว ล้ว เ, เความรู้สึกตัวไปทําต่อให้มันแจ้งแจ้งในเรื่องของขันห้าขันห้าเป็นภาษาบาลี5เป็นภาษาไทยขันเป็นภาษาบาลีแต่แปลเป็นภาษาไทยก็แต่กคือการลองรับรูกประธรรม รูปรขันธ์ส่วนนามมันก็มีขยายออกไปอีกอีกสี่สัญญาจำได้หมายรู้เติมไปอีกหน่อยก็โดยสมองนั่นแหละจำได้หมายรู้ด้สมองเวทนาความสุขความทุกข์ เวทนาภาษาบาลีภาษาไทยความสุขความทุกข์เกิดที่กายและเกิดที่จิตด้วยวิญญาณเป็นภาษาบาลีภาษาไทยรู้มีตามันก็รู้ทางตามีหูรู้ทางหูมีจมกูกมีลิ้นมีกายมีใจก็มีวิญญาณ สังขารปรุงปรุงแต่งก็เรียกว่านามคือมันสัมผัสจับต้องได้ไม้ได้มือโดยรูปธรรมมันไม่ได้ก็เรียกว่านามมันมีอาการต่างๆเกิดขึ้นมามันเป็นทุกข์มันเป็น กริยาอาการเราก็ไม่เคยเห็นมันไม่เคยรู้มัน ท, ทั้งที่อยู่กับมันนั่นแหละพอมาสร้างความรู้สึกตัวมันก็สัมผัสได้เป็นอาการเกิดที่กายที่ใจเมื่อเรารู้รูปมันก็เห็นอาการเกิดขึ้นที่รูปตั้งแต่หัวเจรต์เท้า ทั้งเกิดที่ตัวเราแล้วก็นอกตัวเราด้วยมันเป็นพลังงานมันเป็นกิริยามเป็นอาการเมื่อก่อนเราดูทางตาก็หลงไปทางตาหลงไปที่รูปแล้วก็มีจริตนิสัยลองรับปรุงแต่งไปมากมายเหลือเกิน เกิความพอใจไม่พอใจถูกชะตาไม่ถูกชะตาถูกตาต้องใจไม่ถูกตาไม่ต้องใจมันต้องทั้งคู่นะั่นแหละประทับเข้าไปทั้งคู่ประทับใจไม่ประทับใจก็คือมันติดเข้าไปแล้วพอปฏิบัติก็ได้เห็นอ๋อมันแยกกันได้เนาะเห็นสักด้วยเห็นมันก็มีอยู่ ที่หูมอนกันได้ยินศักดลว่าได้ยินมันก็มีอยู่ใจลราไม่ได้สั่นสะเทือนนะเป็นปกติอยู่จืดภาษาหลวงพ่เทียนใช้คำว่าจืดมันจืดเห็นแล้วมันไม่ได้มีรสชาติอะไรรูปทำนามทรมีไปใช้เป็นตัวชีวิต เป็นชีวิตเป็นชีวามีไ้ใช้ทาหน้าที่ไปเห็นมันนั่งเห็นมันเดินเห็นมันยืนเห็นมันนอนเห็นมันเห็นมันเคลื่อนเห็นมันไหวต้องตะตื่นยันหลับทําหน้าที่ทางต้องรักษามันทั้งใช้มันเป็นเครื่องมือมันไม่ใช่เรา เป็นก้อนธรรมชาติวัตถุสิ่งของต่างๆก็เหมือนกันเป็นห่วงลูกโซ่เป็นธรรมชาติที่อยู่ร่วมกันหนึ่งเดียวกันนั่นแหละเป็นธาตุที่มีการสัมผัสสัมพันธ์กันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยง เราก็ได้เห็นจิตใจมีการเคลื่อนการไหวคิดเก่งปรุงแต่งเก่งมันก็เกิดสืบเนื่องกันไปคิดแล้วคิดอีกถ้าเราไม่รู้ทันมันก็แล้วแต่คิดอะไรก็ได้ ส่วนใหคิดก็ทำให้เกิดอารมณ์ขึ้นมาพอใจไม่พอใจหรือเวลาเราปฏิบัติธรรมเราจะเห็นว่าขณะนี้เราสร้างความรู้สึกตัวเคลื่อนไหวเดินจงกรมนั่งสร้างจังหวะบันทีก็มีความคิดชนิดหนึ่งมันก็ไม่ได้เป็นความ สุขหรือความทุกข์มันคิดแบบแมงหวีแมงวันฟุ้งซ่านเล็กๆมันก็ไม่ได้ทำให้สุขให้ทุกข์อะไรมันก็เป็นกระแสเราก็รู้สึกขณะที่เมฆาเหล่านั้นเกิดขึ้นมา ปฏิกยาการความเคยชินหรือว่านิสัยดูแล้วดูอีกมันจะคิดเป็นสุขเป็นทุกข์จริงๆแต่ว่ามันมีอาการกริยาเป็นพลังงานของมันแล้วแต่มันแต่เราก็รู้อยู่มีสติอยู่มีความรู้สึกตัวอยู่ก็จะเป็นพักๆไม่ใช่หมายถึงว่าจะเกิดขึ้น ตลอดต่อเนื่องทั้งวันเชื่อว่าบุญก็ไม่ใช่บุญเชื่อว่าบาปก็ไม่ใช่บาปมันก็คิดธรรมดาธรรมดาก็มันเนี่ยบางทีก็มีหนอโผล่ขึ้นมาเคยได้ยินได้ฟังได้ฝึกเดินหนอเดินหนอบนบางทีก็นับ ปฏิบัติไปเดินไปกันหนึ่งสองสามซ้ายขวาความคิดเหล่านี้ไม่ทุกนะแต่ว่ามันคือความคิดร้อนมันก็บอกว่าร้อนเยน็นมันก็บอกว่าเยน็นเห็นมันก็บอกว่าเห็นได้ยินมันก็บอกว่าได้ยิน มันไม่ได้พาไปถึงสุขถึงทุกข์แต่ว่ามันคือคิดอย่างเงี้ยวิธีการแนวหลวงปู่เทียนจิตโพก็ให้เห็นอาการเหล่านั้นว่าคือความคิดมันเป็นความรู้สึกตัวในจิตในใจของเรามารู้ทันว่ามันคิดมันก็วางทันทีภาวะของผู้ดูคุณภาพของตัวรู้ รู้อะไรเห็นเห็นแล้วไม่เข้าไปเป็นในความคิดทั้งหมดมันก็เป็นความรู้สึกตัวการเคลื่อนการไหวเป็นอาการกายเคลื่อนไหวเป็นอาการของกายจิตใจเคลื่อนไหวเป็นอาการของจิตใจลมพัดใบไม้ไหวก็เป็นลนักษณะของวัตถุรูปธรรม ตัวรู้ก็มีหน้าที่รู้ไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นอาการระลึกรู้ของสติปัฏฐานรู้แล้วไม่ยึดรู้แลเห็นเฉยๆไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปถ้าเห็นแล้วเป็นบาปมันก็เป็นเศษขยะ ของชีวิตเรามันก็ไม่มีอะไรที่จะทําให้เกิดการสร้างสรรค์ขึ้นมาในชีวิตเรามีแต่ทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปเกิดประโยชน์หรือไม่ก็วางเอาไว้วางเอาไว้วางเอาไว้เกิดประโยชน์เห็นแล้ ว, วางเห็นแล้ ว, วางเห็นละปล่อยเห็นแล้วปล่อ ย, อยไม่ยึดก็คือไม่มีอุปท า, านภาษาบาลีว่างั้น ไม่ยึดเอาเป็นเราของเราเหมือนกับเราเอาอุจจาระทิ้งไปอ่ะเมืองไทยอ่ะทิ้งไปอุจจาระก็ถือว่ามันเป็นของเหลือใช้แล้วไม่ใช้แล้วขยะแล้วของเสียแล้วทิ้งไปเป็นอุจจาระอะไรดีจิกไหนดีการกระทําันไหนดีทางกายวาจัใจาอาเก็บเอาไว้ อันนี้เป็นอาจาระอาจารย์สิ่งที่ดีก็บอกต่อใช้ต่อเป็นอาจารย์เป็นปัญญาชนไม่ใช่คนไม่ใช่ปุถุชนแต่ถ้าปล่อยถ้าวางไม่ใช้เป็นความทุกข์ไม่ใช้เป็นความสุข วางใช้เป็นหน้าที่ไม่ได้ใช้เป็นสุขไม่ได้ใช้เป็นทุกข์ใช้เป็นหน้าที่เฉพาะหน้าเฉพาะหน้าก็เรียกว่าอาริยะมันก็พ้น ต, ตรงนี้แหละมีสติเด่นอยู่เห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมร่างกายของเราก็เหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนจริง ไม่ได้ใช้เป็นสุขแล้วไม่ได้ใช้เป็นความทุกข์แบบนี้เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่โอยพอเราปล่อยระวางได้จริงๆมีสติมีปัญญาหรือว่าจะหยิบใช้ให้เป็นความดีความงามเป็นอาจาระก็ได้เกิดกิริยามารยาทขึ้นมารู้ฐานะรู้อาถานะรู้เหตุรู้ผล ผลอย่างนี้เกิดมาจากเหตุอย่างนี้ทำเหตุอย่างนี้จะได้ผลอย่างนี้นก็จะใช้รูปธรรมนามธรรมขันานั่นแหละได้อย่างเหมาะเกิดความเหมาะสมสมควรไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นความรู้สึกตัวความรู้สึกตัว มันก็เป็นความรู้สึกตัวนั่นแหละเคลื่อนไหวก็รู้สึกตัวนั่งก็รู้สึกตัวเดินก็รู้สึกตัวทําหน้าที่ไปใช้กัน5รักษาขัน5จนกว่าจะเสื่อมสภาพไปจนท้ายสุดถึงที่สุดไม่มีภัยแต่ถ้าไม่รู้จักมันมีภัย เยอะมากบางทีนิสัยมันก็กลับกลายเป็นไภัยไร้ในตัวจะหลีบมันก็กลายเป็นไภัยไร้ในตัวเกิดการเบียดเบียนตัวเองขึ้นมาเช่นบางทีไฟดับเคยอยู่กับไ ฟ, ฟฟ้าสว่างสว่างมาพอไฟดับก็งดหงิดแล้ว ตั้งสติไม่ได้หาอะไรก็ไม่เจอเดินก็ชนซ้ายชนขวาชนโตะ๊ะชนเก้าอี้ชนประตูชนกำแพง <c oughs> ก็งดหงิด <c oughs> พานด่านะ <c oughs> ไฟฟ้า <c oughs> หลายคนเป็นอย่างนั้นนะ <c oughs> ด่าไปถึงนายกรัฐมนตรีก็ได้ จากเรื่องเล็กนิดเดียวกลายเป็นกระทบกระเทือนยิ่งใหญ่มากอากาศหนาวอากาศร้อ น, นมีปัญหาและมียุงมีมแมลงอยู่ยากมีโรคคาภัยเกิดขึ้นมาก็ไม่มีปัญญาหรือว่าคนมีปัญญาก็มาช่วยเหลือก็ทุกใจอีกแลละ มีโลคาภัยมีโรคมีสาธารณสุขมีโรงพยาบาลมีหน่วยบรรเทาสาธารณภัยต่างๆถ้าเกิดภัยธรรมชาติขึ้นมาเราผู้ที่ฝึกตนมีความรู้สึกตัวเมื่อเกิดภัยวตัตฏสงสารขึ้นมาความคิดเกิดดับเกิดดับเป็นพพเป็นภูมิเกิดแก่เจ็บตาย มันก็มีพุทธศาสตร์จิตที่มันรู้ตื่นเบิกบานพุทธะจิตพุทธะมันก็จะแดงออกมาให้เราพ้นภัยคิดปป๊บมันก็รู้ปุ๊บก็ถอนตัวเองออกมาเห็นทุกข์มันก็เห็นเหตุแห่งทุกข์มันก็ก้าวล่วงทันทีทำถูกมันก็จะเป็นอย่างเนี้ย มันก็ไม่ได้มีปัญหาเกิดอะไรขึ้นก็มีแต่ประสบการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวในแต่ละวันแต่ละวันเป็นประสบการณ์และเป็นประสบการณ์ซ้ําๆซ้ำๆซ้ําๆมันก็มีความชัดเจนแล้วก็แม่นยําแต่ละวันก็ต้องกินต้องขับถ่ายนั่งเดินยืนนอนหัวเหงาหานอนปวดเมื่อย ความคิดฟุ้งซ่านแต่ถ้าเราหยิบมาใช้รู้ท่านความคิดแล้วก็หยิบความคิดมาใช้มันก็เปลี่ยนทันทีความฟุ้งซ่านจะกล า, ายเป็นแตกฉานทันทีมันไม่ใช่ว่าเป็นความฟุ้งซ่านเป็นความแตกฉานรู้รอบกองสังขาร กายสังขารเกิดอะไรมันก็รู้จิตตสังขารเกิดอะไรขึ้นมามันก็รู้การปรุงการแต่งทั้งหมดเปลี่ยนสังขารเป็นวิสังขารสังขารปรุงแต่งเป็นราคะก็ะเปลี่ยนราคะเป็นวิราคะ mm hmm. จากการใช้ชีวิตแล้วก็เหนืหน่อยนายเบื่อนาย mm hmm. มันกลายเป็นนิพิทาขึน้นไป เป็นการเบื่อหน่ายแบบมีปัญญาคือเบื่อหน่ายความทุกข์ที่เราหลงเราเคยหลงสิ่งไหนเคยหลงสิ่งใดหลงไปเพื่ออะไรมันก็ได้คำตอบขึ้นมาก็เปลี่ยนหลงเป็นรู้ <Yeah. S 2> เกิดความรู้ขึ้นมามันเป็นความรู้ในทุก <Yeah. S 2> เห็นเหตุแห่งทุก กลายเป็นสัมมาทิฏฐิไปเลยรู้แล้วรู้ถูกรู้แล้วไปมรรคผลนิพพานไม่เคยรู้แล้วติดรู้ยึดรู้ประคองรู้เฝ้ารู้จนติดรู้